นี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจนี้ให้ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทุกคนยังมีกิเลสตัณหาครอบงามจิตใจยอยู่ ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมประพฤติอย่างไรไม่เป็นธรรมทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกได้อย่างนี้นี่เรายังไม่รู้อะเรายังไม่รู้ทางออกากทุกดังนั้นแหละเราจึงต้องมาฝึกกายวาจาใจนี่ ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกรธรรมนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงๆคนเราเกิดมาในโลกนี้ผู้ใดรู้จักทุกผู้นั่นล่ะที่ว่าเป็นผู้มีบารมีแก่กล้าพอสมควรผู้ใดยังไม่รู้จักชีวิตนี้ ประกอบไปด้วยทุกข์ไม่คิดอยากจะหาทางพ้นจากทุกข์อันนี้ผู้นั้นชื่อว่าบุญบา ร, รมียังน้อยอยู่บุญบา ร, รมียังไม่แก่พอเป็นอันว่าชีวิตของคนเรานี่นะมันมีบุญและบาปเป็นเครื่องบันดาลให้เป็นไปถ้าผูใ้ใดสะสมบาปไวมากในใจ บาปมันกบันดาลให้อยากทำแต่ความชั่วนั่นแหละถ้าผูใ้ใดสั่งสมบุญไว้ในใจมากอย่างนี้บุญกบันดาลอยากจะให้ทำแต่บุญทำแต่ความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่ามันหนุนให้สร้างบุญใหม่ผู้ดใดมีบุญมากขึ้นไปก็เป็นปัใจจัยให้ เบื่อนายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้หลงชวนให้เมาชวนให้จมอยู่ในทุกนี้นเรื่องอย่างนี้นี่มันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของบุคคลไม่ใช่ว่ามันเป็นได้เอง โดยที่คนเรานั้นไม่ได้สั่งสมบุญบรารมีมาถ้าหากว่าอย่างนั้นนี่ทุกคนมันก็จะต้องเป็นเหมือนกันหมดจะไม่เป็นอย่างว่านั้นที่บางคนก็สนใจธรรมะมากบางคนก็สนใจธรรมะหรือว่าสนใจในการบุญกุศลน้อย บางคนก็ไม่แทบจะไม่สนใจเสียเลยนี่มันมีอยู่ในโลกอันเนี้ยที่เป็นทางนี้ก็เพราะอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละคนเรานั้นมีจิตคิดบำเพ็ญบุญกุศลนั่นไม่ทันกันบางคนก็คิดสั่งสมบุญกุศลมาแต่นานแล้วก็มี บางคนก็พึ่งเริ่มพึ่งเริ่มมีศรัทธาสั่งสมบุญกุศลมาไม่กี่ชาตินี่ก็มีอย่างนี้แหละแบบที่ท่านกล่าวไว้ว่าน้ำไหลไม่ทันกันดังนั้นเราจะไปคอยให้คนหลายๆจำนวนมากมาสนใจในศีลธรรมแล้วเราจึงจะสนใจอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าอุต t ของแต่และบุคคลนั้นยิ่งย่อนกัวกันไม่เหมือนกันอุปมาเหมือนอย่างลูกนกซึ่งแม่นกมันกกให้เกิดขึ้นมาตัวไหนมันเกิดก่อนตัวนั้นปีกมันก็แข็งก่อนขามันก็แข็งจะ ง, งอยปากมันก็แข็ง แล้วมันก็สามารถบินไปก่อนตัวที่เกิดทีหลังตัวเกิดทีหลังก็ไปทีหลังอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีก ผู้ใดยังสั่งสมบุญบา ร, รมียังไม่เต็มผู้นั้นก็ท้องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ต่อไปเที่ยวสร้างบุญบา ร, รมีสําหรับผู้ที่ตั้งใจได้แล้วนะผู้ใดที่ยังตั้งใจไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดมาสร้างบา ร, รมีเกิดมาหาความสนุกสนานไปชั่วคราวดังที่เราเห็นกันอยู่ดา ด, ดื่น คนบางคนบางพวกเกิดมาแล้วมีเงินมีทองมีลาบมียศมาแล้วก็ไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการสังคมความสุขในการร้องรำทำเพลงสุรานาลีกีฬาบัตสารพัด ต, ตั้งแต่ สิ่งล่อใจในโลกนี้ที่เขที่มีผู้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหลอกคนผู้ยังโง่เขลาอยู่ให้หลงไปตามเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือไม่พอใช้พอจ่ายเงินเดือนเป็นหมื่นหมื่นก็ไม่พอจ่ายก็มีทำการค้าขายมีกาไรมากมายก็ไม่พอใช้ก็มี ทั้งนี้ก็เพราะมันหลงกนมายาของสิ่งต่างๆในโลกนี่ที่มนุษย์เรานั่นผลิตมันขึ้นมาหลอกตาลวงใจของคนอันมูนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นในเมื่อเราส ง, งบจิตลงได้แล้ว โดยที่เจริญอนาปานสติดังที่แนะนำมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละหวังว่าก็คงเข้าใจการวิธีสํารวมจิตนะจึงไม่ได้ปารกเท่าไรนะักก็เมื่อผู้ใดสักงบจิตได้รู้จักคมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วเมื่อก็พิจารณาเห็นโทษของ ความเพิดเพลินมัวเมาต่างๆก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สิ่งมายาเท่านั้นไม่มองเห็นว่าเป็นเรื่องสำรับสำคัญที่จะนำชีวิตของตนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้ พ, ดพูดอีกอย่างหนึ่งก็เลยออกเป็นเรื่องอธิเลขไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิต ถ้าว่าในทางทาแล้วสิ่งที่มันจำเป็นต่อชีวิตจริงๆก็คือการแสวงหาความสงบนี่อันนี้นะว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขจอมปลอมใครก็ไม่ต้องการสุขชั่วคราวนะั่นพอได้รับความสุขมาแล้วหนอหนึ่งหายไปแล้วความสุขนั้นนะ ความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนแล้วอันเช่นนี้เนะี่ยใครๆก็คงไม่ต้องการนะนั่นนะต้องการอยากได้ความสุขสม่ำเสมอเมื่อความสุขอันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันสุกเรื่อยไปอย่างนี้ความสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขปราศรจากสิ่งของหรือว่าสุขปราศรจากอามิตรคือสิ่งของ หรือว่าสุขปัสจากอามิตรคือกิเลสพูดกันตรงไปตรงมาอั น, นิรามิสุขนี่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตนทรงปรารถนาต้องการดังก็เห็นได้ตอนที่พระองค์เสด็จออกไปบวชนั่นนั่นก็แสดงว่าพระองค์ไปแสวงหาความสุขอันไม่เจืออยู่ด้วยกิเลส สุขที่เจออยู่ด้วยกิเลสนั้นพระองค์ได้รับมาแล้วในราชสมบัตินั้นอะไรอะไรก็ไม่ขาดแคลนสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่แต่ของดีๆมีแต่ของหน้ารื่นเริงบันเทิงใจแต่แล้ววิสัยของผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าแล้วมันก็ดนบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็น สูงขึ้นไปกว่านั่นบัดนี้ก็มองเห็นว่าสิ่งที่อำนวยความสุขให้อยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอันพัดผาาจากกันไปร่างกายที่ดวงขิดอาศัยอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสเคืองสัมผัสที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่อร่างกายอันนี้อยู่นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน มีเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลผู้มาเกิดมาแล้วมาพบแต่ของไม่เที่ยงเอยือยงนี่ก็ต้องมาพบกับความทุกข์ความผิดหวังอยู่อย่างนี้อทางที่ให้เกิดความสุขอันไม่ต้องผิดหวังคงมีกระมังแต่ว่าการที่เราจะมาแสวงหาความสุขอยู่ในพระราชาวัง นี่นั้นคงจะไม่พบแน่หมายถึงความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดดังนั้นจาเป็นที่เราจะต้องเสด็จหนีออกจากพระพระชาชวังนี้ไปบวชไปแสวงหาความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งใดๆในโลกให้ได้ต้องมีแน่พระองค์เจ้าจึงเกิดอุปมาขึ้นในใจว่า เมื่อมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นแก้เมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างแก้เมื่อมีบาปแล้วก็มีบุญแก้เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องแก้กันอันนี้คงจะมีหนทางแก้ไขคงจะมีหนทางเดินไปสู่ความสุขอันเป็นแก่นสารนั่นได้ พระองค์ทรงดำลี่เห็นอย่างนี้นะก็จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวพยายามแสวงหาทางตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอยู่นั่นถึงหกปีปีที่หกนี้หนละจึงได้พบทางในระยะหลังๆคืนไปนั่นทรงทรมานพระองค์จนสูบจนผอม ก็ไม่ได้ตัดสรู้ก็เมื่อพระ อ, องค์เจะได้ตัดสรู้ก็เพราะว่าพระ อ, องค์ทรงอธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระ อ, องค์ได้สั่งสมอบรมมาบุญญาบารมีนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระ อ, องค์ได้รู้บรรดาให้เกิดเป็นพินสามสายขึ้นสายที่หนึ่งนั้นยานเกินไปดีดเข้ามันก็ไม่ดังบัดนี้ดังก็ไม่ไพล็อกสายที่สองนั้นเคร่งเกินไป ขอดีดเข้าไปก็ขาดสายที่สามนั่นไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าไปมันก็ดังไพเราะเพราะพิงดีเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงระลึกได้ว่าผลทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธียา น, นี่ต้องเป็นสายกลางแน่นอนอันสายพินที่ยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ยังผัวพันุ์ อยู่ในกรมมาสุขสมบัติต่างๆถึงแม่กายจะพลาดออกมาแล้วแต่ใจก็ยังผูกพันอยู่ย่อมไม่สามารถจะตัดสู้ได้อันสายที่สองนั้นอุปมาเหมือนอย่างพระองค์นั้นแหะทำทุกขกรกิริยาเกินกว่าเหตุทรมานพระกายเอาจนสู้จนผมยังได้หนังปิดกระดูก ไม่มีกำลังเรียวแรงอะไรจะมาทำความเพียรพยายามได้ถ้าขืนทำอย่างนั้นต่อไปก็จะตายเสียเปล่าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรการที่บุคคลมารับประทานพอประมาณนอนพอประมาณพูดพอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณ ไม่เกินขอบเขตคิดอะไรก็พอประมาณอันนี้คงจะเป็นหนทางตัดสรุสรัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนทรงกำหนดได้อย่างนี้แล้วก็จึงยกเลิกการกระทําทุ ก, กรกิริยานั้นเทวินทาบาทมาฉันตามปกติบำรุงร่างกายให้เป็นปกติแล้ว ก็จึงเริ่มทำความเพียรทางจิตใจโดยเจริญอนาปานาสตินี่นี่ตามตำราท่านกล่าวไว้แน่นอนทีเดียวการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่มันทำให้ใจสงบลงได้เร็วแต่ถึงอย่างไรก็ดีไอ้ผู้ที่ทำมันยังไม่มากพอมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองเลย สติก็ยังไม่เข้มแข็งสมาธิก็ยังไม่เข้มแข็งความอดทนก็ยังมีน้อยอยู่อย่างนี้แล้วจะให้การเจริญอนาปานาสตินี่มันได้ผลรวดเร็วมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยภาคเพียพรพยายามไปเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วนี่ไม่มีผิดแหละ แต่ผู้ไดทาไปไม่ท้อไม่ถอยต้องได้บรรลุผลตามเป้าหมายจริงๆคือในขั้นแรกนี่ก็จะทำใจให้สงบลงได้แหละหมายความว่าเมื่อเราทำไปไม่ท้อไม่ถอยมันจะทำใจให้สงบอยู่ได้นานที่แรกนี่ก็สงบไปหน่อยหนึ่งมันก็พลิกไปอพอพลิกไปก็ตั้งสติไหมอย่างนั้นเนี่ย ไปไปถ้ามันเผลอไปก็ตั้งสติเฮงลมหายใจใหม่นานไปสติมันแก่กล้าเข้าไปความเผลอมันก็น้อยลงความไม่เผลอมันก็มากขึ้นนี่รวมความแล้วเรียกว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะนี่สําคัญมากทีเดียว เป็นธรรมมีอุปการะแก่สมาธและวิปัสนาจะขาดไม่ได้เลยสติสัมปชัญญะนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนี้แล้วคนเราอย่าว่าแต่มาเจริญสมาธิและวิปัสนาเท่านี้แม่จะทำธุระการงานอย่างอื่นก็ไม่สำเร็จได้ย่อมขาดตกบกพร่องไปแน่นอนทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นะ จึงว่าเรื่องสติสมสัชยญญานี่ต้องฝึกให้เข้มงวดกวดขันเลยทีเดียวทำยังไงฝึกสติสมสัชยญญาก็หัตรึกเข้ามาหากายหาใจนี่ให้มันได้ถี่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของอิริยาบถเนี่ยอย่างว่าเรายืนอยู่เนี่ยกาหนดรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ อย่างนี้นะเดินไปก็กำหนดรู้ว่ากำลังเดินไปอยู่นั่งลงไปอย่างนี้ก็กำหนดรู้ว่ากาลังนั่งอยู่นอนลงไปก็กำหนดรู้ว่ากาลังนอนอยู่ในอริยบทนอนนี่แล้วเรากำหนดระลึกถึงกายถึงใจอันนี้ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามธรรมดาคนเรานี่ มันมักจะลืมตัวไปเป็นระยะระยะไปโดยไม่รู้ตัวนี่นะตัวเดินไปอยู่ก็ไม่รู้ตัวมัวแต่คิดเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นในเรื่องที่มันเป็นสาระแกนสารนั่นแหละนานจึงรู้ตัวขึ้นมาจะนีบจิตมันกเพลินไปพแรงแล้ววันนี้จะโน้มน้าเข้ามาให้มันสงบลงมันยากเป็นทนนะถ้าปล่อยให้มันคิดเพลินมากๆเข้าไปแล้ว ดัานั้นเราจึงมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอย่าให้มันเพลินะอย่าให้มันคิดเพลินไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นเราเราจกัดความคิดแต่เรื่องจำเป็นเท่านั้นจาเป็นต่อหน้าที่การงานถ้าไม่ไม่ใช่หน้าที่การงานแล้วเราจะควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามันจะเผลอคิด ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เตือนไอ้เรื่องนั้นไม่มีสารประโยชน์อะไรคิดไปทําไมอ่ะคิดไปแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้ประโยชน์อะไรพอได้ทําใจฟุ่งสาา่านําคาญเฝ่าๆก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้ประกอบด้วยจิตนี่เมื่อได้ถูกตักเตือนเข้าไปมันก็ตื่นตัวได้เออจริงเรื่องนั้นไม่เป็นประโยชน์จริงเน่ะ พอมันรู้ตัวนี้มันก็มันก็คลายออกแล้วมันก็วางมันก็ไม่ยึดเอาไว้เมื่อมันไม่ยึดเอาไว้แล้วมันก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นต่อไปจิตก็สงบอยู่ตามเดิมก็ ก, ก็ก็มีอุบายเย็บคลายอย่างนี้แหละไอการฝึกขนลมจิตนี่เนะี่ยถ้าหากว่าไม่ไม่มีอุบายอย่างนี้นี่มันมันจะสงบได้ยากอย่างนั้นต้องใช ใช้อุบายด้วยให้พากันคิดดูให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่มาฝึกกิจนี้ให้ดีแล้วไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรเราจะไปทำยังไงเพราะจุดมุ่งหมายทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งนั้นเลยดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ความสุขมันมีอยู่สองประเภทสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของหนึ่งสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดหนึ่งสุขที่อิงอาศัยสิ่งของนั่นคันพอเมื่อเวลามีสิ่งของอนั้นให้บริโภคใช้สอยอยู่ก็เป็นสุขไปแต่ถ้าสิ่งของนั้นหมดไปสิ้นไปแล้วความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกัน เห็นนั้นท่านยิงเรียกว่าสุขชั่วคราวสุขพอประมาณส่วนการที่มาทาใจให้สงบลงไปแล้วมาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายเรียกว่าขันหานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของของเขาเป็นแต่สัพวาธาตุสภะวธรรม อาศัยกันอยู่เมื่อบรรเทาปัจจัยแล้วธาตุสี่ขันห้านี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือมั่นว่าเป็นของเราปัญญามันเกิดขึ้นแล้วสอนจิตอย่างนี้เลื่อยไปพอจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางขันห้านี่ลงถ้าปล่อยวางขันห้านี่ได้จริงจิตก็รวมลงเป็นหนึ่ง พร้อมโดยยานความรู้งานความรู้รู้ว่าจิตของตนไม่ยึดถืออะไรไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดมีแต่งานความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ยึดถือในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วไม่ยึดถือในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็รู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ด้วย ปัจจุบันน like ี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขันห้าอันนี้ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันขันห้าที่จะมีต่อไปเบื้องหน้ามันก็เหมือนกับขันอันเป็นปัจจุบันนี้ขันห้าที่ล่วงมาแล้วรุ่นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับขันอันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เรากําหนดรู้ขันห้าอันเป็นปัจจุบันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งแล้ว มันก็หายสงสัยในขันห้าที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวมานั้นเมื่อมันหายสงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอะทะยานอยากจะได้ขันห้านี่อีกเพราะว่าขันห้าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ลําบากเต็มทีอยู่แล้วพอมีขันห้านี้มาแล้วก็ต้องหาเลี้ยงมันต้องแสวงหาปัจจัยสี่มาบํารุงบําเรอมันมันจึงเป็นอยู่ได้ อันนี้แหละการที่อุคลมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ถือมั่นอะไรนั่นท่านเรียกว่านิรามิสตุขสุขไม่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆในโลกดังนั้นอาศัยปัญญานี่แหละสายเหตุที่เราจะรักษาความสุขอย่างว่านี่ให้สม่ำเสมอไปได้ปัญญามาพิจารณาดูขันห้านี่มันเป็นอยู่แสนยากแสนลาบาก ต้องแสวงหาข้าวน้ำพชนะอาหารมาเลี้ยงมันบำรุงมันไว้ทุกวันต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มเพื่อป้องกันความหนาวร้อนเหลือบยุงลิ้นสัตว์มีพิษต่างๆอะไรมดเนี่ยและต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือน ให้ขันห้านี้ได้อาศัยป้องกันลมแดดฝนสัตว์ร้ายต่างๆหมู่เนี้ยต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าหม่มหมาปกปิดและก็แสวงหาหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยหยุกยารักษานี่การแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี่ มันย่อมแสนยากแสนลำบากถ้าใครมีบุญน้อยแล้วก็ยิ่งแสนลำบากหาได้ยากเต็มทนผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ก่อนมาก่อ ย, ยังชั่วหน่อยหาไม่ยากอันนั้นนะบุญเก่านนท์มันมาหนูนซองทำมาค้าขายไม่พอที่จะรวยก็รวยไปได้ทำนาทำสวนไม่สมควรจะได้มากได้ผล มากมายมันก็ได้บุญช่วยอะไรอะไรก็ได้มาอย่างง่ายดายเออย่างนี้ก็ยงชั่วหน่อยอ น, น่นะไม่ทุกข์หลายสำหรับคนมีบุญน้อยแล้วนับว่าเป็นทุกข์หลายเพราะฉะนั้นแหละถึงแม้ว่าผู้ใดที่ภาวนายังไม่เกง่งไม่สามารถที่จะโปรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาด ในชาติปัจจุบันนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นโดยปัญญาว่าขันห้าดีถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงให้มีกำลังวังชาพอที่จะใช้มันทำกุศลคุณงามความดีได้อยู่การที่เราได้ขันห้ามาในชาตินี้นั่นไม่สมบูรณ์โูลสกเท่าที่ควร คือว่าไม่มีปัจจัยมาอุปธรรมบำุงขันหน้านี่ยังพุ่มเฟื่อยก็เพระาะว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนมัวเมาประมาทเพื่อเทินไปแต่ในกาลมะคุณไม่เคยได้ทําบุญกุศลอะไรมากมายเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้ก็จึงมีความสุขตามน้อยมีปัจจัยเครื่องอาศัยแต่น้อยไม่มากไม่เหลือใช้ไม่เหลือจ่าย เมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทปณีผู้นั้นก็พยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนทุกวันทุกคืนไปเอา้าทําอย่างไรเรามีเงินมีทองน้อยจะไปให้ทานทุกวันทุกวันจะได้หรอแม้แต่จะแสวงหา ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายและครอบครัวนี้ก็ยังแสนลำบากอยู่แล้วจะไปทำอย่างไรจะสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากๆอันนี้ไม่ยากไม่ต้องไปวิตกอย่างนั้นก็ดังที่เคยพูดมาแล้วการสั่งสมบุญกุศลไม่ใช่มีแต่เพียงว่าให้วัตถุเข้าของเงินทองเป็นทานเท่านั้นการที่เราประพฤติสุจริตด้วยกายว า, าใจนี่ นี่เป็นการสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงนะเพราะฉนั้นขออย่าได้ลืมผู้ใดคดีเราให้ทําความชั่วไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีแต่คิดเกื้อกูลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้อยู่เย็นเป็นสุขไปเท่าที่จะทําได้ความประพฤติอันใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วเราทําลงไปเลยในเมื่อกําลังกายมีอยู่การกระทําสิ่งใด ถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเข้าไปแล้วอย่างนี้เราก็ทําลงไปเต็มความสามารถมมรีมันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นเละและหนำไม่ซําการมาภาวนาสมาธินี่การฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับลงพยายามใช้ขันติความอดความทนคอมจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยะ ไปในเรื่องที่มันเป็นสาระประโยชน์อะไรนี่ให้มันค่อยสงบลงทีละน้อยละน้อยไปเมื่อทําไม่ท้อไม่ถอยนานเข้าจิตนี่มันก็สงบลงตั้งมั่นลงไปได้อันนี้ยิ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลได้มากเลยอสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงนี่นะการสั่งสมบุญกุศลเนะี่ยเพื่อจะขอให้มีกําลังร่างกายนี่มีเรียวแรงเป็นปกติอยู่นี่ ผู้ผู้เข้าใจแนวทางสั่งสมบุญกุศลดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นจะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวนะจะเป็นคเรหักนนบบดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็จะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดนะการสร้างบารมีนี่นะ่ะขอจะให้มีกายมีวาจามีดวงใจอันเป็นมนุษย์นี่มาเถิด ให้คิดดูท่านพูดได้ตัดสรู้เป็นบุพเพศเจ้าก็ดีเป็นพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าเป็นพระเจ้าจากาักรพัฒนิราชผู้มีบุญว่าาสนาอันเป็นส่วนโลกีมากมายเหนือมนุษย์ก็ดีกระล้วนดังจะเกิดมาเป็นคนนี้ทั้งนั้นเลยมาสร้างบุญบารมีมาในสงสารหลายชาติหลายภพ กลัวว่าบุญบารมีมันจะเข้าขั้นให้ได้บรรลคุความมุ่งหมายอันนั้นนะกระลุวนแต่มาเกิดเป็นคนในโลกมีทั้งนั้นเลยตามประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่พระเจ้าห้าร้อยชาติอะไรที่ในตำราท่านกล่าวไว้หมุนนั้นหมายความว่าพระเจ้าห้าร้อยชาตินี่ท่านนับเอาชาติที่ได้สั่งสมบุญบารมีมามากสมควรทีเดียวอะ แต่ละชาติแต่ละชาติน่ะนะแต่ส่วนที่บุญบารามียังอ่อนอยู่นับถอยหลังคืนไปนับเป็นอาสงไขหลายอาสงไขยชาตินุ่นอันนั้นไม่นับไม่ไม่จำกัดลงเท่าไหร่มาจำกัดเอาแต่ห้าร้อยชาติมานี่แล้วมาจำกัดที่สุดก็สิบชาติมานี่นี่เรื่องการสั่งสมบุญบารามีเนี่ยมันย่อมเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้นะ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกเหมือนกันแหละดังนนการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ไม่สมควรที่จะให้โอกาสอันนี้มันล่วงเลยไปเสียเปล่าเลยควรพากันสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าให้เต็มความสามารถของตนเราเอาทุกเป็นทุน ดังคำโครงโบราณท่านกล่าวไว้ว่าจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยก้อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกา ม, มารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียน ร, รมฌานคำโครงโบราณท่านกล่าวไว้นับว่าไม่มีผิดเลยใครจะได้รับความสุขในขั้นใดๆ ร่วมแต่มีความอดกั้นทนทานทําการงานตามหน้าที่ของตนของตนทั้งนั้นเลยเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กอดกั้นทนทานศึกษาวิ ช, ชาความรู้ใส่ตัวมาโดยลําดับผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สําเร็จก็เลยกลายเป็นคนเกเรไปนะ่ะนั่นไงผู้ใดอดกั้นทนทาน ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลาบากมาโดยลำดับเช่นนี้ก็ย่อมได้สำเร็จผลในขั้นต้นคือเมื่อสอบได้ตามต้องการแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นไปมันก็มีงานทำก็ได้งานทำไปเมื่อได้งานทำแล้วก็ยังต้องอาศัยความอดความทน ตองอาศัยสติปัญญาให้รอบคอบต่อหน้าที่การงานที่ตนได้นั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำการงานนั้นให้เสียไปเมื่องานเสียไปมันก็ต้องหลุดจากหน้าที่การงานนั่นไปเป็นข้าราชการก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนั่นไปอันนี้นะดังนั้นแหละใครมีหน้าที่การงานใดๆ ร่วนแต่เอาทุกเป็นทุนต้องอดกั้นทนทานต่อความทุกข์ยากลําบากในหน้าที่การงานนั้นๆหากว่าไม่เหลือวิสัยนะอันนี้ถ้าเหลือวิสัยมันก็จําเป็นอย่างว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็มีผ่อนผันทั้งนั้นเลยมาีิมันจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมเอาเงินทองหาได้มา แล้อย่างนี้ก็พยายามเกียดออกไปให้มันได้ไปฝากธนาคารไว้ให้ได้อย่าไปใช้ใจ่ายให้หมดเพราะเงินนองนี่ถ้าหากว่าอาศัยใช้ใจ่ายโดยอาศัยตัญหาแล้ววัละหมื่นบาทก็ยังไม่พออีกซ้ําเป็นไรอะ่ะถ้าไม่อาศัยตัญหาใช้ใจ่ายแล้วถึงแม่จะได้มาพอประมาณมันก็ยังเหลือใช้อยู่อย่างนี้พยายามเกียดจ่ายเกียดไว้ให้ได้ ฝากธนาคารไปทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้ามันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นเมื่อเป็นก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหมุนไปทำการค้าการขายหรือทำอะไรได้อยู่หากำไรเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆอานนี้จะเป็นพระนี่ถ้าไม่ละกรรมอารมณ์แล้วอย่างนี้จะเป็นพระไม่ได้มันต้องศึกออกไปเป็นครึงหัด เป็นธรรมดาอยู่เองนี่เนะี่ยถ้ายังมีจิตใจกำหนัด ด, นดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่มากมายอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ในเพศพรหมจรรย์นี่นะอยู่ไม่ได้จริงๆฮะถ้าอยู่ได้ก็เป็นพวกพืชลวงวินยัยซาสมบาปใส่ตัวเองไปไม่มีประโยชน์อะไรฮะเป็นอย่างนั้นผู้อยู่ได้โดย ความบริสุทธิ์ฟุตฟ่องนั่นก็เพราะว่าเป็นผู้มีความภาคเพียรพยายามและความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกนี้ให้เบาวางออกไปจากกิตใจก็จึงจะเป็นพระได้โดยคุณธรรมผู้จะเป็นพรหมก็ต้อง ภ้าเปียนพยายามเจริญกสิณชาญให้เกิดขึ้นจนได้บรรลุสมาบัตแฝกคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เมื่อหากรักษาฌานสมาบัตอันนี้ไปได้จนตลอดชีวิตละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมต่ผู้ที่มุ่งหวังอยากจะให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ ก็ต้องภาคเพียรพยายามเจริญสินสมาธิปัญญาอันนี้ให้แก่กล้าขึ้นในกายวาจาใจให้ได้ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเนื่อยแต่ปรับการได้หากไม่เหลือวิสัยแล้วเช่นอย่างเพียรพยายามรักษาศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะ ตั้งอกตั้งใจตั้งสติระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอไปไม่ให้ผิดศีลผิดวินัยเพียรพยายามทำจิตให้สงบเป็นสมาธิด้วยการเจริญกรรมฐานอันใดหนึ่งดังกล่าวมานั้นให้ได้เมื่อใจสงบแล้วออกจากการนั่งสมาธิมา แล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่าเสมอไปอ้าวทำอย่างไรล่ะเพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันต้องคิดอ่านการงานแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นอยู่เสมอไปได้ยังไงอ่ะอันข้อนี้มันก็ควรรู้ไวเออมันควรรู้จะอุปมาให้ฟังเอ่อเหมือนอย่างสมมติว่าเหมือนอย่างไฟฉายอย่างนี้นะ เมื่อไม่ต้องการแสงสว่างแล้วก็ก็ไม่ต้องกดสวิคนั้นมันก็เป็นท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดานี่แหละมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไฟฉายนั่นมันเสียหายอะไรนะมันก็ยังดีๆอยู่ทุกส่วนนั่นแหละแต่ที่นี่เมื่อผู้ใดต้องการแสงสว่างจากไฟฉายนั้นไปกดสวิคเท่านั้น แสงสว่างมันจะพุ่งหมอกไปเลยจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนนะเมื่อไม่ต้องการแล้วอย่างนี้ก็กดสวิสอีกทีหนึ่งมันก็ดับแสงสว่างนั้นมันก็ดับไปอ่าเหลือแต่ท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ไฟฉายนั้นมันก็ไม่เสียหายอะ่ะมันยังใช้ได้ดีอยู่อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตถ้าเราฝึกฝนให้ตั้งมั่น ในอิริยาบถนั่งอย่างว่านี่ได้แล้วเมื่อเรายืนก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีหรือว่าทำการงานอะไรไปก็ดีก็ยังสามารถรักษาจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นปกติคือว่าไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนันนะเช่นอย่างว่า เรื่องนี้เป็นความชั่วเป็นบาปอย่างนี้ไม่ยินดีไปตามความชั่วเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้เป็นความดีควรกระทำบําบเพ็ญก็พอใจบําเพ็ญไม่เกลียดไม่เบื่อหน่ายต่อความดีความงามต่างๆนี่ยินดีต่อกุศลคุณงามความดีเสมอไปไม่ยินดี ต่อความชั่วต่างๆไม่ให้มันยินร้ายไปในสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายนี่เรารักษาจิตให้ยินดีจ็ดแต่ในกองการกุศลนี่นะให้มันสม่ำเสมอไปนี่เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นนะตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นต่อกุศล คุณงามความดีตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆนี่คําว่าสมาธินะขอให้เข้าใจความหมายที่แน่นอนเมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายได้อย่างนี้นะก็ไม่หนักใจว่าโอ๊ยใจเรานี้ไม่อยู่ไม่มีสมาธิมันบ่นกันอยู่อย่างนั้นเละไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ว่าจะประครับประคองจิตนี้อย่าให้คิดไปทางอากุศลถ้ามันชอบอยากจะคิดก็ให้มันคิดไปในทางบุญกุศลทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นี่มันก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษอะไรนี้ผู้ใดมีอาชีพอะไรผู้ใดมีหน้าที่การงานอันใดอย่างนี้นะเราพยายามกำหนดจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็คิดอ่านการงานอันนั้นะ่ะ ทำอย่างไรเราจึงจะทําทการงานอันนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้เกิดดอกออกผลที่เป็นน่าพอใจทั้งตนและผู้อื่นได้ก็ดําำลีตรีตองด้วยน้าใจอันมั่นคงอย่างที่ว่านั่นแหละพิจารณาหารูทางที่จะปรับปรุงการงานอันนั้นให้มันเจริญก้าวหน้าไปเช่นผู้มีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ ถ่ายทอดศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆให้ลุกศิลป์ลูกหาอย่างงี้ก็ต้องพยายามใช้จิตใจที่อบรมให้ตั้งมั่นลงไว้นดเอยคิดอ่านหารูปทางพิเศษพิเศษสําหรับที่เป็นอุบายจูงใจให้นักศึกษาทั้งหลายได้มีกําลังใจที่จะศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ให้มันก้าวหน้าไป ได้อย่างนี้นะอันผลงานของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันก็อยู่ที่นักศึกษานั่นแหละเป็นเครื่องวัดผลงานนะเมื่อนักศึกษามีความรู้ความฉลาดมากสอบได้เปอร์เซ็นสูงมีเป็นจำนวนมากอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องวัดผลงานของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของนักศึกษาทั้งหลาย การฝึกขัดจิตใจให้สงบไพตั้งมั่นเป็นสมาธินี่สามารถเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยทุกหน้าที่การงานใครมีอาชีพยอย่างไรใครมารมีหน้าที่การงานอะไรเราก็อาศัยสมาธิจิตนี่แหละคิดค้นปรับปรุงการงานหน้าที่อ น, นั้นให้เจริญก้าวหน้าไปให้ได้ นี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรท้อถอยในการทำสมาธินี่นะผู้ใดฝึกจิตใด้เข้มแข็งได้แล้วผู้นั้นย่อมเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานานั้นได้จริงๆเลยเป็นนักบวชก็เจริญในความเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็สามารถมีความรู้ความฉลาดบำเพ็ญหน้าที่ของนักบวช ท, ท่านให้เจริญก้าวหน้าไปได้ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถรักษาหน้าที่การ ง, งานของตน น, นนั้นให้เจริญนุ่งเรืองไปจเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจผู้มีปัญญาแล้วย่อมรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายไว้ได้สิ่งใดที่จะาเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายนี้ ก็อย่าไปบริโภคมันเช่นอย่างของเสพติดทโทษต่งตางๆวันี้ล้วนแต่เป็นภัยต่อร่างกายทั้งนั้นเลยอย่าว่าแต่สุรายาผินเฮโรอีนแม่แต่บุรีนี่ก็เป็นภัยต่อร่างกายมากมายแต่คนติดมันเหลือเกินนะชอบกลิ่นชอบรสของมันสำหรับผู้ประพฤติธรรมผู้เจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วไม่ยากเลยออกได้สบายขอให้จิตนี่ออกแล้วร่างกายนี้ก็ออกได้เลยถ้าจิตออกไม่ได้ถ้าจิตสละไม่ได้แล้วร่างกายนี้ก็สละไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเหมือนกันหมดเลยการละความชั่วทำความดีนี่วราใจใจมัน เบื่อหน่ายมันสละลงได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายแล้วจะเป็นฝิ่นเป็นเฮโรอีนก็ตามนะคันถ้าใจออกแล้วนะมันมันออกไดนะ้มันหาวิธีการอยู่นั่นเนี่ยเคยได้พบคนบางคนมาเขาออกสุราด้วยการต้มใบฝรั่งในใบสีดานี่นะแล้วไปทานไปเรื่อยๆประมาณสักสองเดือนนี่ ออกได้เลยน ะ, ะเบื่อเลยสุราะนะั่นอย่างนี้แหละสำหรับคนผู้ที่ใจตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็มองเห็นลู่ทางที่จะละสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกแก่ตนนะร่างกายอันนี้นะมันต้องอยู่ได้ด้วยการประครบประงมด้วยการบำรุงรักษาสาหรับ วิทยาศาสตร์สมัยนี้นะมันเจริญมากการแพทย์การอะไรก็เจริญเขาก็วิจัยเห็นสิ่งใดที่เป็นภัยต่อร่างกายเขาก็ประกาศทางวิทยุขยายเสียงบงั่งทางสื่อสารมวลชนสารพัเพื่อให้คนทั้งหลายได้อ่านพบได้ยินได้ฟังแล้วไปพิจารณาดูตนว่าตอนได้ เอาสิ่งที่มีพิษมีภัยต่อร่างกายอย่างนั้นมาบำรุงมาซ่องเศษอยู่หรือไม่และเมื่อเมื่อตนได้ซ่องเศษของเรานั้นอยู่ก็จะได้เห็นทอดของมันจะได้ละมันไปเสียนี่หมนี่ควรพิจารณาดูเพาะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั้นเขาย่สา ม, มารถรู้ได้อันวัตถุธาธตุต่างๆหมนี่ สามารถวิจัยได้ว่าสิ่งใดมีคุณมีโทษนี่ไม่มีผิดแน่นอนเลยผู้ดใดปฏิบัติตามแล้วหวังว่าคงจะมีสุขภาพอนามัยดีแน่นอนทีเดียวอย่างผู้ที่พูดอยู่นี่อันนี้ภาวนาเห็นโทษของบุรีเห็นด้วยทางภาวนาจริงๆแต่ก่อนนี้โอ้ยติดบุรีเป็นจอมเลยแหละ พอภาวนาไปพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วก็งดกันไปเอาเฉยๆนี่ไม่ได้มีพิธีรีทองอะไรเลยงดเอาเฉยๆแล้วมันก็เลยเอาไปเลยเมื่อจิต น, นี้ไม่อยากแล้วกายก็ไม่อยากจนเท่าทุกวันนี้เลยร่วงเลยมาตั้งอาจจะได้ถึงยี่สิบปีแล้วแหละ และปรากฏว่าสุขภาพของร่างกายนี่ดีวันดีคืนขึ้นนี่เห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึง่งระมัดระวังอย่าให้ท้องผูกนี่ต้องพยายามชําระกะระเพาะลําไส้นี่ให้สะอาดไม่ให้อาหารเก่ามันติเดเกะกังอยู่ในกระเพาะในลําไส้ต้องพยายามรับประทานยาละบายเ อ, อ ทำล้างกระเพาะลำไส้ให้สะอาดอย่างนี้นี่มันจะไม่เป็นสมุฐานที่เกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเท่าที่พิจารณาดูมาแล้วคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอดอดแอดแอ ด, แอดเกิดขึ้นในร่างกายบ่อยๆนี่เนื่องจากว่าปล่อยให้อาหารเก่านั้นมันเกิดติดเกิดกังอยู่ในกระเพาะในลำไส้ทีละเล็กทีละน้อย แล้วมันก็เป็นเหตุให้อาหารใหม่ที่รับประทานเข้าไปนี่มันเกิดอืดเกิดเพิ่อ เ, เกิดเสียขึ้นตามกันไปดังนั้นการที่ไฟธาตุย่อยอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็ไม่ไม่สะดวกในเมื่ออาหารนี่มันไปเกิดบูดขึ้นในกระเพาะลำไส้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสุขภาพของร่างกาย ก็จึงไม่สมบูรณ์ได้บางคนนะแล้วก็ประกอบกับเศพของเศษติดเหล่านั้นเข้าไปเข้าไปอีกโดยเฉพาะบุรีนี่ฮะอันสุรายามาวนั้นก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ส่วนบุรีนี่รู้สึกว่ามันสู่กันทุกวันทุกวันวันละหลายซองเข้าไปหลายหลายมวนเข้าไปอ่ะ อย่างนี้มันก็ไปทําลายอาวัยวะภายในนั่นให้เสื่อมเสียไปมากมายทีเดียวดังนี้แล้วมันจะให้อายุยืนยาวนานไปได้อย่างไรเมื่อสุขภาพอานามัยของร่างกายไม่ดีแล้วการที่จะมาประกอบกุศลคุณงามความดีนี่มันก็เป็นไปได้ยากทีเดียวการที่จะมาสั่งสมบุญกุศลเนี่ยนี่เกาะแสนยาก อย่าว่าแต่มาสั่งสมบุญกุศลเลยแต่จะทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนี่ก็แสนยากลำบากเต็มทีนี่แหละการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันรู้จักนะสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทา สิ่งใดที่ทำลายความสุขความสงบของจิตใจสิ่งใดที่เป็นเครื่องสนับสนุนความสุขความสบายความสงบของจิตใจมันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วสิ่งใดควรละมันก็ละได้สิ่งใดควรทามันก็ทำได้ตลอดที่เจริญด้วยคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ในนามของคณะสงฆ์วัดอรัญญบรรพศขออนุโมทนาสาธุการด้วยบุญกุศลที่พุทธบริษัทท้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จะได้เป็นพระปัจจัยส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทางวิปัสสนาธุระให้เป็นไปได้เพราะว่าผู้ที่ ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละแต่แล้วก็ได้สละบ้านเรือนออกมาบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการหาเงินหาทองอะไรเลยเรีย ว, ว่ามีชีวิตเป็นอยู่เนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านที่ท่าน ตั้งชื่อให้ว่าพิกคุพิกคุนี่แปลว่าผู้ขออย่างนี้แหละแต่ว่าขออย่างสุภาพบุรุษไม่ได้ขออย่างคนขอทานเที่ยวพิขาจานไปมีบาทใบหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาก็ใส่ให้ไม่มีก็แล้วไปไม่แสดงกายวินยัตวจีวินยัต นั่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามเช่นไปแสดงอาการกวกมือเอาเขาให้เขามาทําบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะอไปกล่าววาจาชักชวนให้ทําบุญกันบริจาคทานกันอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงห้ามเลย